อ๋อครับก็ได้ครบไลยครับอ่เาเพิ่มมาเทียหนึงค่ัอายุรมหากะมามาฮกอนครับเพชรกติจักรหลวงพ่อปูมัย ข้าเป็นรักเป็นรักเป็นรักเคลื่อนแขนเนมาตอข้าวข้าเป็นรักมาตอหันซ้อนนีู Normally, ่เติมหันเติมนี่ยเกิดเรื่อยๆดูได้ละดูได้ละเทวันละโมจิตา โมทิตาพิชซุนีเป็นคนสิงคโปร์ที่นี่ก็มีคนสิงคโปร์คนหนึง่งมาที่นี่มากับพวกเรางนะพิกซุพิชซุนีจา ม, มนีลีกบะชกโดยจะไหมบะชกะนะโดยจกากบะชกไหมไม่เพียน เจ้ากุมุภวะไอ้ผูขาดก่ลุ้หน้าลุ้หลังก็รู้จักนางคงค์แสดงเนพร้ิกษุแต่เนี่ยมื่อององค์แสดงไปแล้วไปเื่อิกษุณีภิกษุนีกไอ้ขี้เออิกษุณีกับมุติตาสามเณรีเนี่ยกุมภสุภกาเลยกุมภสุภไอ้เจ้าไว้กุมภสอ่ะฮะ วาศกไม่บ้านางินะวาศิกาไม่บ้านางินะฮะวาศกคือวาศวชิกาว่าศกวชิกาถ้าความหมายน่ยไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเราไปตีราคาพิกว่าศกคือผู้ชายวาศิกาคือผู้หญิงไม่ใช่ใช่อยู่ วศุกวจันคือผู้นั่งใกล้พัตนาใจจักพัตนาใจไหมพัตนาใจคือแก้วันเปิสริฐสาประการวัวศกวัจัคือผู้นั่งใกล้พัลตนาใจพัตนาอิตาพัลตนาใจคือพระพุทธธรรมพระสงฆ์ผู้นีคุณธรรท้มนละ พลังธรรมของพรลังนิตใจเขาปริ้าคือผู้ลูกผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้อยู่ใกล้ๆกับความตื่นความเบิกบานผู้ได้อยู่ใกลไๆลไกลในแต่ความโลภความโกรธความหลงผู้นั้นไม่ใช่บาดตกไม่ใช่วาจิตาผู้อยู่ใกล้พระลังนิตใจเนี่ยไม่ตกละลอกติดไว้ไภูมิได้เพราะใจดีใจดีแล้ว วาศกใจดีแล้ววาสิกาใจดีแล้วกำลังจะ อ, อยู่ในอยู่ในพระราชนาฏีพ่ออยู่ใกล้ๆแต่พ่อภาษาบ้านเราว่าวาศกคือยมผู้ชายว่าสิกาคือยมผู้หญิงอันนั้นผู้ชายกับผู้หญิงยังไม่ใช่ว่าศกวาสิกาตามความเป็นจริง วาสุบวาสิกาตามความเป็นจริงคือผู้ที่อยู่ใกล้พรลัตตะนาไตาใกล้ศีลมีศีลเมตธรรมเมตตากรุณาผู้ใดโกรธผู้ไหนว่าม่ห น, น, นุบวาสุกเลยนะเพื่อนอะไรอิจฉาเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นไม่ใช่วาสุกวาสิกาอุบาสุาสิกาคือผู้ที่ไม่เบียดเบียนตนเดงและผู้อื่นแล้วก็ช่วยด้วยช่วยตัวเองให้คนทุกข์ช่วยคนอื่ในให้คนทุกข์ นี่คือคนของอุบาสกอัิกาแล้วก็ในศีลในธรรมในศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราสมบูรณ์มั่นคงในบริษัทภิกสูบริษัทมั่นคงเป็นผู้ที่มีคุณธธรรมผู้เห็นภัยในวัตะ ภิกุผู้เห็นภัยในวัฏฏะในวัฏฏะเพื่อความเปลีน่นไหวใจเกิดภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏฏะเพือไม่ไม่เกิดไม่เกิดป่วยป่ไม่เกิดโกรธไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดอิจฉาพระราบาัตเป็นชีวิตที่จบลงจบลงเลยวางลงนะวางความทุกข์วางลงแล้วความโกรธวางลงแล้ว ความวิตวกวังวลวางลงแล้วตรงลงแล้วสิ่งเล่านั้นไม่เป็นภัยแล้วไม่เหมนเป็นภาระ แ, ะแล้วนะภิกษุหมายถึงผู้เห็นภยัยไม่ใช่ถ้าเหลืองหัวโล้นอันนี้ยังไม่ใช่เป็นภิกษุภิกษุต้องเป็นพุทธรรมมีสติมีปัญญาช่วยตัวเองได้ช่วยคนอื่นได้บ้างะ น, นะสามัญะ สัมณะคือผู้ทท่สงบจากอารมณ์ทั้งหลายไม่โูโผแพบแฉบมันน้ำไม่มีคลื่นหน้าไม่มีคลื่นสองเงาดูหน้าได้จิตของสัมะนาคือผู้สงบมาอาจจะไม่ใช่เทศสัมณนาหมายถึงคนผู้สงบไม่โูโผแฉบแฉบจิตใจวางลงโปรงได้ ใครก็เป็นได้ ไ, ม, ไม่ได้ไมไ ด, ไมไดเป็นลูกแบบนุ่งสิ้นอย่างนั้นก็เป็นได้นุ่งเสื้อสีดําสีขาวสีเหลืองสีอะไรก็เป็นได้แต่พะะน่ะหรือทินี่มีความหมายมากแต่งบสงบจากฆาตศึกไม่มีปัญหาขยาราชการเท่าใดเลิกแล้วหยุดแล้วเย็นแล้วปล่อยแล้ววางแล้ว แม่มีก็ไม่เอาความโกรธมันมีอยู่แต่ไม่เอาบอกความโกรธคืนไปเชินมันจะโกรธลูกโกรธหลานเนี่ยเคยบอกความโกรธคืนไปไหมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเบื่อแล้วความโกรธเนี่ยเช่นโลกเก่าพ้อกัวจะทะเลาะกันพ่อจะทะเลาะกับลูกแม่จะทะเลาะกับลกูลกลูกจะทะเลาะกันก็บอกว่าแม่นี่ไม่เอาแล้วนะความโกรธบอกคืนไปไม่เอาไม่เอา ไม่ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ครอบคัวเราไม่อยากให้มีการรุ่นแรงไม่เอาไม่เอาลูกเก็บกรดกันไม่เอาแล้แม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วลูกอย่าไปโกกันไปบอกว่าแม่เพียรว่าท่านนั่งอยู่ฟ้าอาทาอยูแม่ไม่ชอบแม่ไม่ชอบแม่ไม่เอาชอบความสงบชอบความอ่าปกติชอบรั้ความฝ่าฟันดีสมานสมัาคี อ่นแจกเล่ากันเนี่ไม่เอาไม่เอาบอกคืนไปบอกให้เขาอาคืนไปไม่เอาไม่เอาเท่งเทงเๆ่งเรว่าบอกคืนมีอยู่แต่ว่าไม่รับมาเท่าไหร่ก็บอกคืนบอกคืนบอกคืนหรือว่ารับไว้ระเดี๋ยวเงี่ยงหูฟังเดก็ว่าอั่ากับโกเขาว่าอย่กับโกเงี่ยงหูฟังใจใจมันว่าอะไรมันว่าอะไรพูดอะไรโกฟังดูพูดอะไรโกฟังแล มันว่าอะไรโกมันว่าเงี่ยเงี้ยงหูฟังไงไม่ใช่ก็ได้เงี้ยหูฟังไม่ค่อยเงี้ยหูฟังเสียงฉิมเสียงทำเงี้ยงหูฟังเสียงมานเขาว่าอะไรโกเพราะว่าอะไรกะนอกโกลูกโกหล้านโก้เขาว่าอะไรเงี้ยงหูไม่เอาบอกึ้นไม่เอาในเรียอว่ามีอยู่แต่ไม่เอาความโกรธความโลภความร้องความรักความชังมีเท่าไหร่ไม่เอาทั้ง มาหนึ่งคืนหนึ่งมาสองคืนสองมาสามคืนสามบอกคืนไปบอกคืนไปอ่ะเรียกว่าพิกสุอุวอมสมณะทั้งพิกสุกสมณะอ่าตอนนี้ก็มาพอ่อนด้แต่ขเขาไเล่เแต่เขาไม่เล่นเลยว <c oughs> ันนี้จะได้ดู ลงลงทานแค่หน่อยจะได้ทำความสะอาดเพราะเราฉันเสร็จแล้วเข้าลงทานลงดูจัดสิ่งจัดของเตรียมพื้นที่ไม่น้ำขังอยใต้วันล่างดัวยขาบโชคเป็นคนบอกมันไหลอยอยนี้มันแห้ง <c oughs> วันนี้จะมียากที่ทเข้าลเรามาจากปุริลำจากแคยภูม กับดรุงเก็มาแล้วจากสิงคโปร์ก็มาแล้วยินดีป๊อแม่เพีย<อ>ย้ยนแกิีต้อนรับที่เสมอเราให้ยามันหาแม่้าด้่าเป็นอย่งอ้อใมันหา้าแต่เห็นหเต็นโยมมาวัาดมาวัดอ่ะโอ้ยเซินชมเลยเนะยาะถ้าเราไปเซินส้ม แต่ว oh, like, right. okay, ัาทางเราเข้ากับว่าไม่ประโยชน์แล้วเฮดซาล่าหลังมื่อยเน่ดว่าเฮดว่าแต่พี่คนวายอยู่าพักโอ้ยดีห้ายเนาะอ้ามต่อไปจะรับผิดเิตังเจตังจงมังขออิจะผลดีท่านผาถนัะท่านใจแท้ที่พรมวุธสมิจตุจงสมฤิรพเเรนตุสังา อความทำดีทั้งปวงรงเต็มทีจันโานละสยญาทาันว่จันวันเดินอนิชฌูติโรทุโสยญาทามันแกมณีอนสว่างสวยค่รยินดีสัพพีทิโยววัชชนตูควาจันไรทั้งปวงจงหมดไปสพโรโกวินาชตุโลกันูุของจันจุมา อันปวันิวันจรายุอันดายามีกิดาสุขีที่กายโคภวาอันจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาตนาศิลิสเนจังวัตานุจะตรุมาวัตัอายุวโนสุขังบาลังขนสีประการเกีอยุวสุขะ ย่อมจะเดินเที ume ume ่ยคผู้มีปกติ้ายกระลายมีปกติวันน้อมจงคุยใหญ่เป็นนิดภาวะตุสัพปมังคลังขสัปปามุงคุณจงมีแก่รักันุสัพปเทวตาขอหลักเทวดาทั้งองค์จงรักษาท่านสัปปะุสานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัปปธรรมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพสังานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัาสุิวันตเสทังมี่ันตุมาเถทสังโยนสุวินาะังะทเสมินะโตวยนัทายัมาานยาวะิ ทรงเปิดเผยมุขกามา จับอะไรตกบ้านตรเรือนแม่จะ ต, ต้องบอกสติก็เหมือนแม่ถ้าเราศึกษาดูดีๆทำอะไรบาทีมันรู้สึกตัวมันก็เลยจะกลับมา ห, า, หาความปกติเมืงง่อมันหลงมันผิดปกติเมืออ่อไหร่บางีมันมีพลังช่วยพลังแห่งความรู้สึกตัวพลังแห่งความปกติช่วยเราอีก ว่าแต่ให้ให้แยกขลาอยากผิวผิวเป็นผดเหมือนเราทำงานทาการบองทีเราทําสิ่งใจที่มันแยกขลาเราไม่เราไม่ซึ่งใจนะเราก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้โอกาสพลาดโอกาสไม่แยกขลาเช่นเราไม่หู บางทีโอเสียงมันก็ได้ยินอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องเสียงที่มันได้ยินบางทีเสียงที่มันได้ยินอาจจะเป็นประโยชน์อาจจะมีโอกาสนะตาเขาดีเรามาแยกขาดเช่นสมัยหนึ่งนะทำลงโบสดที่หัวใจหลังนี้แต่ก่อนอยู่หลังเขาเอากันไปลงโบสด <C oughs> เวลเดินกลับลงมาผ่านชะลาไก่เสียงแม่ไก่มัน ร, อ ร, ร, ร้องก็ตะกตากตะเพื่อนเดินผ่านไปเก้าลูกสิบลูกผ่านแม่ไก่ที่มันร้องก็ตากตาก็พ่อก็เดินตามลังมาก็ได้ยินเสียงแม่ไก่รอ้องก็เงี่ยมหูฟังเนื้อแม่ไก่มัน ร, อร้องอะไร มันต้องผิดปกติมันจึงร้องอบไให้เพื่อนเดินผ่านไปเลยไม่ได้ดูแม่ไก่มันร้องอะไรเราเดินมาที่ร้านก็ดูโหเหตุที่มันร้องกาไปแย่งกินไข่มันในหลังมันจึงร้องเลยเพื่อนก็ได้หยินพอดีเราไปไล่กาออกจากหลังไข่ถ้าถามเพื่อนมาเราพ คนเดินมาผ่านชราไก่ได้ยินเสียงแม่ไก่ว่าร้องไหมได้ยินแต่ไม่สนใจไม่เป็สนใจทุกคนก็ได้ยินเดียวแต่เลยพลาดเลซะเลยไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ทดําดีเลยไม่ได้ช่วยแม่ไก่เราก็เออวบางทีโอ้ได้ยินเสียงเกิดประโยชนเกิดโทษเมื่อมันในโทษเราก็เว้นพรหตามันเห็นเรามีความแยบคายอาจจะได้ผรลัธ์คำเพรตาเห็น แตจะได้ประลุดทำเอาได้ยินเราได้เห็นถ้าระยะสงบางลูกเห็นใบไม้ร่วงภาษาใบไม้ร่วงเฉ ย, ยๆก็ได้ประลุดทมเพราะพิจารณาโดยแยกผาเห็นต้นชงมันไหลาตามแม่น้ำมันไหลไปล่องน้ำไหลเรื่อยๆรืรืยืยมันไม่ติดฝั่งซ้ายฝั่งขวา เขอุปังไม่ประมา ณ, มาณกับตัวเองถ้าติดฝั่งซ้ายถ้าติดฝั่งขวาถ้าท่อนทรงท่อนนั้นติดฝั่งซ้ายติดฝั่งขวาแล้วก็คนมา ก, ก็มาเอาขึ้นฝ่อเอาไปเลื่อยเอาไปอะไรท่อนทรงท่อนนั้นไม่มีโอกาสจะถึงจุดหมายปลายทางก็ามาเปรียบเทียบกับตัวเองฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็คือความยินดีความายินไล่บางที่ไปสยบไปติดต่อกับความยินดีมาก็ได้อการ ไปตีโยกับความยินด้มาก็ได้โอกาเมื่อเปรียบเทียบตัวเองมันอยู่ตรงกลางหรือมันเองเลยมันจิตตรงนั้นเอามาเอามาปฏิบัติเอามาสอนตัวเองคนที่สุดเอาท่อนชงมาเป็นปุกขลาทิฏฐานมาเป็นธรรมาทิฏฐานมาสอนตัวเราคนที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเปรียบเทียบเลยเฮ้ยนางหรือภิกษุณีตนน่ดอยู่เขาที่จะกูุ เห็นคนช่างเขาช่างลงอาบน้ำคนช่างก็ยืนอยู่คนขวับบอกช่างลงไปให้พ่นข้างหลังให้พ่นข้างซ้ายให้พ่นข้างขวาให้พ่นข้างหลักช่างมึงก็โดนน้ำพ่นหลังใช่ไหมเห็นไหมมือโอ้โหโอ้น้าข้างหลังอีกโอ้โหพ่นข้าง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 เอ็นหลังไปนวดจนมากเอาท่องท่านเอาท่องนวดจนมาก็อบอกมหามหาเจ้าของโอบรองเจ้าของเอาฉีขอชางกับบัตรทิกษุเนตนนั้นเต็นทวนชางสอนชาบก็มาเปรียบเทียบกับตัวเราเรานี่เป็นทิกษุเนย์จไม่จะสอนแดงไม่ได้เหมือนชาบ เอาช่างเป็นครวัวจางเขายัางทําได้เราจะไปปล่อยให้จิตหมกมุ่นค้นคิดหรือเราหยุดไม่ได้วันร้อนเราเย็นไม่ได้หรือวันทุกเราไม่ทุกไม่ได้หรือะอะไรก็ตามเราสอนดัดแปลงคนที่สุดเอาช่างเป็นขบเครวัวปฏิบัติก็ได้คนรู้ทำบางบางทีมันติดประโยชน์ทั้งหมดนะชีวิตของเราการใช่ชว้จุลจั๋งแม้แต่ผมมุ่นหวา ความมุ่นบายความเครียดความผุ้งช่านั่นลองดูดีๆมันก็ต่างกันกับความไม่พู้งสานัความมุ่นบายความอะไรต่างๆมันต่างกันอยู่กับความปกติอย่าไปจ น, นเปรียบเทียบทันทีเลยทักท่วงโต้ตอบ แก้ไขเปลี่ยนให้มันถูกมันผิดอยู่ในเราเปลี่ยนให้มันถูกไหมเรางารปฏิบัตนะิอย่าไปหอบไปไหนไปโทษโทน่นโทษนี่เปลี่ยนเรานั่งอยู่ปฏิบัตรทริทมเขาเปิดเครื่องพยายลมควรอย่าไปโทษเขาต้มากลับมาหาตัวสวนทางทวนกระแสทวนให้มันเก็บตัว อันเดีจะค่อยตามเอามันแหวกขึ้นเนาะแต่มันอลองทวนดูเลยมันจะเก่งไปเรื่อยๆถ้าเราอะไรก็ค่อยตามหมด อ, ไไมอะไรก็ไว้ไปตามายยอะไรก็ไว้ไปตามเรโยบย่ำไว้ไปตามเราเน้นท่าไว้ไปตามเหมือนชีวิตเหมือนก็นถูกชักขาไปเพราะเราต้องเป็นตัวของตัว การปฏิบัตาธรรมต้องเป็นตัวของตัวเพราะมันมีหลักอยู่มันมีสู่อยู่ไม่หลักอยแต่ว่ารู้สึกตัวมันเป็นหลักไปไหนก็ต้องกลับมาตรงนี้ไปไหนก็กลับมาตรงนี้มัจะไปความจบขวามโลภของมโกรธความหลงกิเลสผลแห่งตเนรแล้วก็กลับมาหาตรงนี้มาหาความรู้สึกตัวด้วยฝีมือของเราด้วยมือของเราด้วยการกระทำของเรา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 ไม่ใช่เป็นเด็กไม่ใช่เป็นอ่อนแอไปเลยพอทำแล้วแค่นี้หรือหลวงพ่อยกมาขึ้นแค่นี้หลืดลู่แค่นี้หลือลู่แค่นี้หลืแค่นี้หรือค่อยๆวางมันม่นใจสับเอาแค่นี้แหละมีเท่านี้หลืมีเท่านี้เลยคงรู้จึกตัวพอทําไปทําไปถ้า <c oughs> มีหลักมันก็ต้องเกิดการเห็นต่างๆเห็นผิดก็ตรงนี้เห็นถูกก็ตรงนี้ ความทุกข์ก็แช่ตรงนี้ความหลงก็แช่ตรงนี้ความโกรธก็แช่ตรงนี้ถ้าเราม่ความรู้ส็จตัวนะไม่ได้ไปไม่ได้นอกออกจางนี้ไปในตัวเรียกว่าเนื้อเนื้อมันในมันอยู่ในตัวเสร็จทันทีความหลงก็เอาความไม่ลงอยู่ในตัวไม่ควมหลงอะไรพระพุทธเจ้าจะว่านิพพานมีอยู่ในสังขาร ในสังขารมีนิพพานอยู่ตรงนั้นสังขาราปรมาทุกขานิพพานปาปรมังสสขั์ตรงกันข้าไม่ตกล่ะเรียกว่าปฏิบัติคือกลับกับคนละมุมมองต่างมุมมันเกิดอยู่ที่เดียวมันทางสี่แง่ทางสามแยกสี่แยกแต่มันตั้งต้นที่เดียวกันแต่มันไปคนละทิศทางนะแล้วก็ตั้งต้นก็้ลอกทางปีมันก็ตั้ง ตั้งต้นตรงนี้ทางที่มันถูกตั้งตรงนี้ควันนั่นจริงๆนะการปริบัติมันก็คือความรู้สึกตัวทั้งนั้นไม่มีอะไรหรอกะอย่าไปกลัวอย่าไปคิดว่ามันยุ่งมันยากอย่าไปคิดว่าทําได้ทําไม่ได้อันทําได้ทําไม่ได้มันมันเป็นภาษาสมมุติเฉยๆหรอกบนตัวก็ทําำนั่นแหลอรู้สึกแต่หนูก็ทำได้ทันทีมันง่ายกว่าทำมันง่ายกว่าหลงเราจริงๆแล้วนะ ความหลงนะมันยากนะควางโลดเจตัวมันง่ายแต่โดดขวากความทุกข์ก็ยากพุ่งๆแกร่งๆผมไม่พุงไม่แก่งมันง่ายง่ายเพราะฉะน้นอ่ะขอ ก, ะกับดุกข อ, ขอยนไปน ก, กลิ้งไปเลยมันยากมันมีพลังต้องต้องมีพลังแรงท่วงเหมือนกับของที่มัน แบนแทิ้งไปมันก็ไปทิ้งมันง่ายกว่าความปรุงกับความไม่ปรุงมันต้องมีอะไรที่มันสนับสนุนการปรุงมันมีสิ่งสนับสนุนความไม่ปรุงนยมันไม่มีไม่สิ้นเปืองพลังงานไม่สิ้นเปลืองพลังงานการไม่ปรุงแต่การปรุงโอ้สิ้นเปืองพลังงานต้องมีสังขารต้องใส่ใจต้องเ่งเลงต้องลาดับต้องลำนําต้อง เอาอะไรต่างๆมาเสริมมาชาเพื่อให้มันปรุงต่อไปบางคนถึงกับว่ากินเหล้าตีมเพื่อให้มันปรุงถ้าไม่กินเหล้าใจมันจะหายโกรธต้องกินเหล้าเพื่อย่อมใจบางคนกินข้าววัวไม่ได้เอาเหล้ามาเตนไปข้าววัวได้พวงนี้กินเหล้าข้าคนกินเหล้า้าวัวข้าป่อยกินเหล้าเพื่อจะกินดิดดก เหมือนหม <pine> า <sm all> เหมือนสัอะไรก็ได้การไม่ตรงมันง่ายนะสะดวกที่สุดหลวงพ่อพาทาในสิ่งที่มันสะดวกพระพุทธเจ้าพาพวกเราทาเรื่องของความสะดวกจนเรียกมามาดูมาดูม า, มาดูนี่ดูนี่เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มันก็ไม่มีมาดูมาดู อพอรู้สึกตัวมันก็ยังไม่หลงพราะหลงมันก็ไม่รู้มาดูมาดูมาดูพราะสิ่งนี้เองพอรู้มันก็ไม่หลงพอรู้มันก็ไม่หลงพอรู้ถ้าหลงมันไปมันไปไกลอแล้วก็มาทําดูมาทําดูถูกต้องแน่พวกเราไม่มีไม่ีอะไอื่นแบบชีวิตต่อ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 มีธรรมชาติเหมือนกันหมดความรอดความหนาวความหิวความโกรธความไม่โกรธความทุกข์ความไม่ทุกข์ความหลงความไม่หลงอันเดียวกันพระก็อเดียวกันนักบวชก็เดียวกันอาละวาดก็เดียวกันผูาา้หญิงผู้ชายเดียวกั น, กนไม่มีเพศไม่มีไว้ไม่มีลัทธิไม่มีนิกาตัวปฏิบัติะเรามองอย่างนี้ยมองแบบลาบรื่นเลย ใ่อ น, นกเป็นพระสองฆ์อ น, นันก็สามเณรดีอันนั้นกม่คีอันนั้นกอวราชิามันสมมุติมันใช่ป้ามายต่อมอร์มันมันต้องอันเดียวกั่โลกทำนามทำมคือลูโลกกับนามคือนกายกับใจตัวหลงตัวรู้อันเดียวแต่ไอ่ทำไอทำไปด้วย สบายสบายอย่าไปตั้งคิดไว้ถูกก็เดิไปตั้งคิดไว้ผิดตั้งคิดไว้ให้มันถูกถ้าตั้งไว้ผิดแล้วก็มันก็ยากคิดนี้ถ้าตั้งไว้ผิดแล้วก็ยากก็ตั้งไว้ถูกแล้วมันไม่เหน่นะมองนี่ห้วง่าอะไรองยิ้มไปในใจใจดีสู้เสือโบรานทันวะ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 ชีวิตเราคือการเวลาไม่ใช่วันทิศจันทร์การพุทธภาสุสัตว์นเป็นสมงหมดแต่เราเปิดความรู้สึกตัวคือชีวิตเรามาเรามาลูสึกตัวเรามรู้สึกตัวหรือวันโลกเวลาทําอะไรก็เราไม่ได้แต่ถ้าเราหลงเวลามันก็ลงโทษเป็นประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์นะ ไม่มีแหละทลางคืนก็ไม่มีางวันก็ไม่มีให้เดี๋ยวามลู้สุกตัวเอาไปมาโามลูกสุตั ว, าา ต, วตาเห็นลูกคือวามรูกสุกตัวหูได้ยินเสียงคือโฟมลูกสตัวสมอกได้กินดล้นได้รดคือวามรูกสุดตัวอะอันไหน อ, อันไหอไหนกระาคือโมรูกสึดตัวทั้งนั้นอ๋อไม่ คิดมากไหมอ่ yeah, าดีถ้าคิดอะ่ะ <c oughs> มันมีถ้าคิดเนี่ยงพอก็นสนุกนะ <c oughs> ถ้าไม่คิดเนี่ยโอ้ยไม่ดีจืดชืดนะแต่มันคิดเนี่ยดีมากจะได้เห็นบางทีหลวงพ่อของข อ, ะองจะื่อเรามองแล้วพ า, าไปแล้วมาหาหลวงพอ่อ เกาหัวทำยังไงลุงผมมันไม่คิดเลยทำยังไงว่าไม่คิดอะไรเหมือนไม่มีหัวจิตหัวใจอะไรอะไมันทํำยังไงเขาก็เขาก็ทุกข์อะตัวไม่คิดเ่ะซึซื้ อ, อไปด้วยไอ้มันคิดอะถ้ามันไม่คิดเี่ยโอ้มันไม่ได้รสชาติอะมันมีมันกันนะอารมณ์บางบางครัง้งจะไปจบความว่างนะ บางทีต้องมาลูบตัวเอ๊ะมันก็มีนะเอามือมันจีบขามันยังเก็บอยู่นะมันมีลูบอะไรนะเอามือมันหยียดแขนแรงเอ๊ะมันยังมีลูบมันยังเก็บมันว่างมากว่างไปหาตัวเอามือมันลูบัวมันว่างเลยแบบไม่มีรสชาติบางทีมันคิดโน่นคิดนี่หอูมันกลับมันว่ามันบดเรียนเยอะแยะตัวบทเแต่มันว่างเลยจะทำไง ไม่มีรสชาติเลยลเหมือนรถวิ่งไม่เข้าเกลีย์หลงเด้งไปหมดเลยเคยขับรถไม่มีเกลีย์ไหะหลงเด้งไหม <c oughs> ใครว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มั่นใจนะมีเกลีย์ติดเกลีย์ไปเหน่อยๆแต่น้อยก็เกลีย์หนึ่งเกลีย์สองกัแบบเบรคจะเอ็นยังไงนะให้คิดลงไปให้เป็นไง แต่อปแต่ไปคิดว่ามีปัญหาความคิดไม่มีปัญหาอะไรก็ถือถือว่าจะมีปัญหาแตชื่อว่าสติแล้วไม่มีปัญห า, าเฉลยได้ทั้งหมดให้สติมันเฉลยหลายๆเรื่องมันจะเก่งถ้าสติไม่ได้เฉลยมันไม่เก่งมันไม่ไม่ไม่ไม่แจกละนะนะกราบพระพ่อค่ะ <c oughs> ระหังสะมาสะมตุภะคภะคะวะคะวภะคะวะะคะภะวะคะวะะะะะะะะะะภะวะวะะะ หลอกไม่กลัวคนหลอกไม่กลัวกลัวแต่ตัวเองหลอกตัวเองเองหลอกเองมันหลอกให้รักกันรักมันหลอกให้จังมันหลอกให้กอดมันหลอกให้โศกให้ทุกข์หลอกให้กลัวอลองดูดีๆแล้ว <c oughs> จะจับจะจับตัวมันได้จะจับตัวเหี้ยแค่นี้ได้ตัวเหี้ย <c oughs> <c oughs> เพื่อด <c oughs> โพธิละโปติละเน้นสอนโพติละโพติละเนี่ยจบพระไตรปิฎกนะไปหาใครก็ไม่สอนไปหาเน้นน่อยนูนเนนน้อยก็าบอกลงไปใน น, น้ั่นกันมาเน้นน้อยบอกว่ามีจอมพวกจอมหนึ่งมีรูหกรูมีตัวเหี้ยเข้าอยู่ตรงนั้น จะทำไงจึงจะจับตัวเหี้ยได้เหี้ยตัวเหี้ยมอยู่ในจอมพวกแต่ว่าจอมพวกมีอยู่หอครูโพรเทล่าเนี่ยโปรเทล่าถามโปรเทล่าทํายังไงจึงจับตัวเหี้ยเท่านั้นไ่ะเนนน้อยถามได้ไม่รู้ทําเลยนะเพราว่าเขาจับตัวเหี้ยได้ ตัวทีละก็ต้องปิดห้าโลขุดตามโลนี่ไปขุดไปทั้งลทั้งห้าเลยปิดหมดกดตามไปแต่มันก็จับตัวนี่อะไรครับพอตอบท้องนั่นเลงตัวเองก็ไปปฏิบัติพอปฏิบัติก็จัดการเลี่ยนโลหกโลเอาโลเดียวตามไปทําไปจับเนี่ได้เห็นผิดเห็นถูกเห็นสุกเห็นทุกมันอยู่ตรงไหน ควโกดธความโลกควาลงมาอยู่ตรงนั้นผมก็เลยโคดเสมอว่ามันมีตัวลูกกับตัวหลงเท่า น, นั้นใช่ไหมชีวิตเรามันไม่มากหรอกเปตัวลูกกับตัวหลงเท่านั้นตามหาดูจริงๆเนีน่ยมีสองอันเท่านั้นแต่มันหลงเราก็เปลี่ยนเป็นลูกได้ปิดแล้วปิดรูหลงเปิดรูลู ก, กตามโลกเข้าไแล้วเราเปิดให้มันออกก็เพื่อเพลย์มันก็ไม่ได้ ปิดรูหลงเอาตัวลูกเขา้ามปอันนี้ไม่ค้นหรอตามไปตามมาตั ว, ต ว, ตวรู้สึกได้เลยยกมือยกมือสร้างจังหวะช่วย <c oughs> ยกมือช่วย <c oughs> เจตนาช่วย <c oughs> ให้ตัวลูกมันเด่นตัวรูกมันเด่นมันลงไปกลับมา น, นี้ยเนี้ยมยเอาตาดูก็ได้รู้สึก เปิดตัวลูกตัวลงก็ปิดและมันลงอีกเปิดตัวลูกนันก็ปิดตัวลงโดยธรรมาชาตามิมันลงมันลุกมันลงมันลุกพยายมทำอะไรมันจับเหีียวด่ะแต่ลุกอยู่นี่จับได้มันโทษเจ้าว่ะโอ๊ยเจ้าสังขารแต่ก่อนเราไม่รู้จับเจ้านลยวิ่งกับเจ้าไปในสงสารอเนก็ชาติบันนี้เรารู้จับเจ้าเสร็แล้ว จะทําอะไรให้เราก็ได้อีกต่อไปจิตของเราถึงแล้วซึ่งสภาพอะไรปรงแต่งไม่ได้อีกต่อไปแล้วที่หน้าเจ้าสังคารตัวสังขารคือตัวหลงตัวหลงตัวปุงปงุงแต่งตัวไม่ปรุงเลยเป็นวิสังขารอ่าวิสังขารคือเป็นชีวิตรุ่นลุน่ลนของสังขารเป็นชีวิตปลอมๆอมมันปลอม ตัววิสงคัญวิเศษวิวิในวิเศษนำไปนำไปสู่จุดหมายปลายทางวิตว น, นีวิตัวนี้มาจากคาว่าพระได้เป็นพระด้วยวิตัวนีนวิปัฏนานเนี้ยมันเป็นพระแล้วร่วงพ้นพระว่าเก่าแล้วความเป็นปุถุชนความปรุงปรุงแต่งแต่งล่วงมาแล้วพ้นมาแล้วพาถึงวิเศษแล้ว ค้นมาอย่างวิเศษนำไปอย่างวิเศษถึงจุดหมายปลายทางอย่างวิเศษันะไปพุนนทธมณฑลจะแม่แล้วจะพาไป<อ>าไม่รู้จะไปจะไปไหมวันที่ ยี เ, เนาะทีมเกตไปพบกันที่พุทธมนตรนะจะางสาไปมันก <c oughs> ็จะไปตั้ง แ, แต่วันที่ยีย่สิบห้าเอะอ เพื่อนกันทั้งหมดเพื่อนมนุษย์พาทั้งหมดคนนี้เพื่อนคนนี้น้องเพื่อนถ้าคนนั้นจะเพื่อนอืมดีเลยีหลานเพื่อนเอไม่ครับก็บอกเนต่อคะคนคนที่ลองศึก้าคนลองุดท้าเนี่จะบอกเพื่อนมาแล้จะพามาอีกคนคนนั้นก็ติดกดเหมือนพยาศศนะ วิทยชัยอะเนี่ยสคนนั้นเป็นเพื่อนผู้ทียชัยมาตลอดตั้งแต่เรียนเสร็จจะได้เนาะจะได้วิทยชัยเนาะหลวงพ่อจะได้จะได้มาวัดสุขโตเนี่ยพวกที่ปลูกเบิกที่แรกคือพวกข่มวิทยชัยนี่แหละอมนุษย์ผานั่นทั้งหมดอ่ะกติอะไรต่างๆเนี่ยถ้าไม่ใช่พวกเรามาหลวงพ่อก็ไม่สภาพแบบนี้นะแต่ก่อนหลวงพ่อก็จะไม่ทําอะไรเลยนะ นรู้ใจมาทีแรกกินข้าวตากผนเขาถ่ายภาพอยู่สาระไก่สะละไก่ก็ลังต่าๆนะเนาะวนนะทำเตี๋ยวเตี๋ยวนะแล้วก็ฝนตกกินข้าวตากผนเขาถ่ายรูปมาให้หลองพ่อดูนีเ่เราเนี่ยนึกว่าจะอยู่คนเดียวไม่ใช่อยู่คนเดียวแล้วคนมากินข้าวตากผนะ่ไปทํายังไงเลยฮ ก็เลยคิดสร้างศาลาหลังนู้นนะศาลาใหญ่ไหศาลาใหญ่ไมอ่ได้แล้วนะเราต้องทำเที่ยงศาลาใหญ่ดีแล้วอ่าไม่มีชาติก่อนไม่มีพอหลวงพ่อเห็นพวกเรากินข้าวตากคนอ่ะก็เลยเกิดกำลังใจขึ้นมาแล้วเท่านั้นก็เกินวุฒิชัยให้เงินหลวงพ่อสามหมืนบาทโอ้ปีห้ารอยเท่าไหร่น้องยี่สี่ยีหอเนยี่ิบสามเนี่ยให้เงินสมหืนบาทหลวงพ่อก็ ไปไปชมชาว บ, บ้านทันทีเห็นพวกเราจึงเข้าตาคนบ้านใหม่บ้านขน ง, ง้อบ้านวังแค่บ้านทํามะไฟใครจะทําศาลาใครจะ อ, อะไรบ้านเอาเสาคนลราต้นเอาเอาจันทันเอาจันทันเอาเอาหลังนั้นเอาไม่เอาไม่เครื่องไม่ไนประชมวันเดียวหมดเลยไม่บรรลับไปหมดเลยเอารองพ้อเป็นสั่งเลยสิคนนู้นใช้เงินสามหมื่น แล้วกยอมเป็นมั่วหลวงพ่อเป็ น, นัิแป๊บเดียวเสร็จเลยจล <c oughs> ควิท ย, ยเาราน่ะบุกเบิกนะวิทย์ชัยก็ไป บ, บุกเบิกวัดสนามนอืมวัดสนามนครับพวกเราเนี่ยวิทย์ชัยไม่เป็นวัดนะไม่เป็นวัดเลยเลาอะไรชื่อเพื่อนๆ้่ม้ลมคะลาเย้อง ก, กันนะใช่ไหม ต้องใช้ชื่อกันหรอกขอให้เป็นวาสนาให้เป็นความถ้าไมงั้นมาเป็นเป็นพี่ทของสงศ์เป็นสมชายาไปช่วยเรื่องขนายให้ขาบ้านย้ายออกไปที่วัดก็เลยกว้างเดี๋ยวนี้หลวงพ่อยังเห็นว่าจันทร์ทองเนี่ยลืมลืมไปพวกเราไปปฏิบัติเออื่อน้หล แฟนมาทีหนึ่งครับอายุราหน้ากับห้าวหักก้อนข้างกัมเศษสติจันทร์ทุ่อบผ่ไม่นี่ว่าใหญ่เป็นาหลลงช่อาองสีมากว่านหน้ากับเป็นลับดีเป็นลักเป็นลับ เื่อนแข่งคนมาต่อห้องผมเข้านละมาต่อหันซอนห่ตหตหนเติมหนหน่ห่าไ้วา่ใ่่ลนี่้หือรูได้ไม่ ว, วางโิตาโมจิตาิตาุี นคนสิงคโปร์ที่นี่ก็มีคนสิงคโปร์คนนึ่อ่าที่นี่มากับพวกเราไงพิษุพิษุนีจำเนรีกุบะชกเลยจะไหมกุบะชกอ่ะฮะจะจะกบะชกไหอ้หเพี้ยนเลยจะกุบะชกปะฮะ พระสุก็คือโม่เนี่ยโม่หลวงพ่อพิกสุนีพิกสุนีก็ไอขี้เอ่อพิกสุนีกับมุทิตาสามณรดีเนี่ยวาสศกเลยวาสศกเรา้างวันวาสศกฮะวาสศกมีบ้นังยังไงเพรว่าสิกามีบ้นังยังไงฮะ ว่าจบคือว่กวาจิกาว่าจบวาจิกาถ้าความหมายน่ยไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายเราไปตีราคาพิกว่าจบคือผู้ชายพวาจิกาคือผู้หญิงไม่ใช่ใช่อยู่ว่าจวาจิกาคือผู้นั่งใกล้พระพระัลตนาไทรจะพัลตนาไทรไหม ปรัชนาใจคือแก้วันปนระเสดิจสามประกา ร, รวันศุกวันจันทรคือผู้นั่งใกล้พระรัชนาใจปรัตนาใจตาปรัตนาใจคือพระพพทธธรรมพระสงค์ผู้มีคุ ณ, ณธรรมนั่นแหละคุณธรรมของปรัชนาใจข้าพเจ้าคือผู้ลูกผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้อยกเล่ยเก้ยกับความตื่นความเบิกบานผู้ใดอยู่ใกลไๆลไกล ในแต่ความโลภความโกรธความหลงผูนั่นไม่ใช่วาสกไม่ใช่วาสิกาผู้อยู่ใกล้พระรันตนใจเนี่ยไม่ตกต้นโลกปิดวายแภูมิได้เพราะใจดีใจดีแล้ววาสกุกใจดีแล้ววาสิกาใจดีแล้วกำลังจะ อ, อยู่ใน อยู่ในพัฒนาใจผู้อยู่ใกล้ๆจะพูดภาษาบ้านเราว่าวาสุกคือยมผู้ชายวาสิกาคือยมผู้หญิงท่า น, นั้นผู้ชายกับผู้หญิงยังไม่ใช่ว่าสุกวาสิกาตามความเป็นจริงว่าโศกวาสิกาตามความเป็นจริงคือผู้ที่อยู่ใกล้พระัฒนไตจใกล้ศีลเมศศีลเมตตามเมตตากือนาะ พูดได้โกรธพูดได้ว่าเป็นอุบาสกเลยนะเพื่อน อ, น อ, น อ, นอะไริจาเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผูนอนอ้อื่นไม่ใช่อุบาสกวาิกาอุบาสกวาิกาคือผู้ที่ไม่เดียดเบียนตนเดงและผู้อื่นแล้วก็ช่วยด้วยช่วยตัวเองให้คนทุกข์ก็ใหคนอื่นได้คนทุกข์นี่คือคนของอุบาสกวาสิกาแล้วก็ในศีลมีธรรม ในาศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราสมบูรณ์มั่นคงในบริษัทภิกษุบริษัทมั่นคงเป็นผู้ที่มีคุณธธรรมผู้เห็นภัยในวัฏจัภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏจะในวัฏจักรที่ความเปลี่ยนไ่วที่เกิด ทิศสูงผู้เห็นภัยในวัฏฏะเพือไม่ไม่เกิดไม่เกิดเบ่อยๆไม่เกิดโกรธไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดตีช้าพระราชบาัตรเป็นชีวิตสิจบลงจบลงเลยวางลงซะวางความทุกข์วางลงแล้วความโกรธวางลงแล้วความวิตกควงวลวางลงแล้วตรงลงแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นภัยแล้วไม่เป็นภานระแล้วนะ พิษุหมายถึงผู้เห็นภยัยไม่ใช่ก็เหลืองหัวโลน้นอันนี้ยังไม่ใช่เป็นพิกษุขพิษสุต้องเป็นคุณธรรมมีสติมีปัญญาช่วยตวเนเองได้ช่วยคนอื่นได้บ้างสมะัะสมัะคือผู้ที่สงบเกากอารมณ์ทั้งหลายไม่โผ ล, แ ล, แล่แฝง สัมมนามไม่มีเคลื่อนน้นามไม่ไม่เคลื่อนสองเงาดูหน้าได้จิตของสมัมมนาคือผู้สมบม า, า จ, จะไม่ใช่เพศสมมนาหมายถึงคนผู้สมมไม่ฟูๆแฟบแฝดจิตใจวางลงโปง่งได้ใครก็เป็นได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไไดเป็นโรคแบบนุ่งสิ้นนั้นก็เป็นได้หนุ่งเสื้อสีดำสี สีเหลืองสีอะไรก็เป็นได้แต่ขณะฤทธิสู์เนี่ยมีความหมายมากแต่งบแตบออกจากธาศึกไม่มีปิดขาพยาบาทเท่าใดเลิกแล้วหยุดแล้วเย็นแล้วปล่อยแล้ววางแล้วไม่มีก็ไม่เอาวามโกรธมันไม่อยู่แต่ไม่เอา บอกความโกรธคืนไปเช่นมันจะโกรธลูกโกรธหลานเนี่ยเคยบอกความโกรธคืนไปไหมไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเบื่อแล้วความโกรธเนี่ยเช่นโลูกเต้าครอบครัวจะทะเลาะกันพ่อจะทะเลาะกับลูกแม่จะทะเลาะกับลูกลูกจะทะเลาะกันเขาบอกว่าแม่นี่ไม่เอาแล้วนะความโกรธบอกคืนไปไม่เอาไม่เอาไม่ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ครอบัวเราไม่อยากให้มีการวุ่นวาย ไม่เอาไม่เอาลูกเก็บโกรธกันหไม่เอาละแม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาไ่อลูกอย่าไปโกรธกันไปบอกว่าแม่เพีน่ท่านนั่งอมยแม่ไม่ชอบแม่ไม่ชอบแม่ไม่เอาชอบความสงบชอบความปกติชอบรล้ความอัศรดีสมานสมาธิทานแกเรล่ากันไม่เอาไม่เอาบอกคืนไปบอกให้เาคืนไป เอามาเอาเท่งเท่งเท่งเรียว่าบอกคืนมีอยู่แต่ว่าไม่รับมาเท่าไหร่ก็บอกคืนบอกคืนบอกคืนเรียว่ารับไหวประเดี๋ยวเี่ยงหัวฟังเด็กเว่าฉันกระโกลเขาว่ายังกระโกลเยเี่ยงหวฟังใจใจมันว่าอะไรมันว่าอะไรพูดอะไกฟังดูพูดอะไกูฟังมันว่าอะไรกูมันว่าอะไรเนี่ยเยี่ยงหวฟังงานไม่ใช่ก็ได้เยี่งหัวฟัง ไม่ค่อยเรี่ยงหูฟังเสียงฉินเสียงทำเรีย่ยงหูฟังเสียงมานเขาว่าอะไรกกเขาว่าอะไรกะ น, นอกโกลูกโกร้านโกเขาว่าอะไรเนี่ยงออกมาอ่านไม่เอาบอกคืนไม่เอาไม่ใช่ว่ามีอยู่แต่ไม่เอาความโกรธความโลภความร้องความรักความชังมีเท่าไหร่ไม่เอาเท่ามาหนึ่งคืนหนึ่งมาสองคืนสองมาสามคืนสามบอกคืนไปบอกคืนไป เรียกว่าภิกษุอุปสมณะภิกษุ อ, นน <c oughs> อุปสมณะอ่าอันนี้ก็มาพผ่อนได้แต่ขเขาไม่ <c oughs> มแล้วันนี้จะได้ดูลอ ง, งทานแค่นอยจะได้ทำความสะอาดพระเราฉันเส็จแล้วเข้าลงทานลงดู จัดสิ่งจัดของเตรียมพื้นที่ไม่น้มขังโยตัตวันล่างด้วยอาวุธชกป็กคนหอกมันไหลอยอยนี้วันแห่ง <c oughs> วันนี้จะมีญาติที่ทำข้าวเรามาจากกรุง เ, เทพมจากกรุงเทพฯก็มาแล้วจากสิงคโปร์ก็มาแล้ว อ้ายินดีป๊อแม่เพี้ยนแกที่ต้องรับที่เสมอเลยเราให้ยัยมันห้าแม่แม่ฆ่าได้ว่เป็นยังตอกมันห้าแต่เห็นแต่เห็นโยมมาวัดมาว่าอะโอ้ยเซินช่มเลยเนาะแ้วเราก็เซินช่อมด้วยเซินช่อมยินดีแต่วัาทางเราเท่ากับว่ามีประโยชน์แล้วเฮดซาร่าลองเมื่อยเนี่ยเดว่าเฮดว่าแต่พี่คนวัยโยมมาพักะโอ้ยดีหลายเนาะ อ้ามต่อไปก็ละพอจิตตังปจิตังตุมังขออิจารพรตีดังพระธรรมเนียทั้งใจแล่ผีพรหมีวาสุเมชตูชมสมฤตโดยเฉพาะสรรเพรภูเรนจูสังกปะขอความดำริทั้งวงทรงเต็มที่ยันโตปนละโศยตาอนุจันนายวันเปน อนิจโจติรสโยตาอนเจมาเดียนสว่างสวัยควรยินดีสัพพิจิววะฉันตุควาฉันไหลฉันกลมฉันหมุนผ่านไปสัพพารโกคินาสตุโรคทางกลมของทางจงมามาเทปวัดพันตระอยู่อันตะไรยามีเกิดั้นสุขีที่ใายู่คู่ภาวะ มีความสุขมีอายุยืนอภีวตนสีิสนจอตาโนจะตารตมาวัตัติอายุวนโนสุขังกะลังวนสีประการเืออายุวันนาสุขะกะลาย่อนเจริญเกวุณมีปกติวากมีปกติวันนตผู้ใหญ่เป็นนิจอาวัทุสะมันกะลัง ขอสัพพะงคลจงมีแก่านราคันตุสัพเพเดวะตาขอหลักเทวดาทั้งองจงรักษาตนสัพพะปุถานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระปัจจเจ้าสัพพธรรมอนุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ สัตตาสุติโวันตเอวีทหยจมีิ่ทุกทนะเทสังขโยนโวินปะงวเสมเนวะตะยะนมัายนัมมัตนายะนินายะยวะิมสยะสติยะะยยิรติยพรมัจรย พระนันเจวทนัณปฏิญานวันเวะตัณนุปัสสามียาตลาจมีเวสัิจตัจัสวิารุจติระวักันไปมันก็ไม่หลันะวกันไปมันจะตื่นกันไปใสใจกันไปมันจะื่ พเราพักจะตื Ó, ่นเะไรเดียวพอเราพักจะตื่นอเดียวบางทีจะไม่หลับเป็นอาทิตย์ก็นีนะแต่ว่าไม่เป็นไรอย่าไปตบใจเป็นอาทิตย์ไงอย่าไปตบใจนะตบใจไม่ตบใจก็มาแล้วเจวันที่มาที็ดวัครั้งแรกเจ็ดวันไม่ได้หลับไม่ไม่ไม่เป็นไรถ้าถ้าถ้าเป็นหลับเขาไม่ได้โครงแตกหลับเพรามันตื่นก็รู้สึกเลยไม่เป็นไรถ้าหลับไม่หลับจากการโรงแตกมันหมดพลังงาน าหลับจากความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าไม่หลับจากความรู้สึกตัวมันจะนะไรแต่นี่หลับเพราะปุงแต่งไม่หลับก็ปุงแต่งพวมนิดอย่างนหลัวมันหลับเพราะปุงแต่งคิดพุ้งซ่านอึคเมอะไรนันนั่นไม่พอเสร็จแล้วแต่ว่าการหลับหรือไม่หลับนี่อย่าอย่าให้มีอะไรต่อไปถ้ามันไม่หลับก็เป็นเรื่องของมันไม่หลักก็อย่าไปกางวลแต่ฉันมาไมหลับันเ็ ไม่หลับท้องคนละแต่ว่าอย่าไปคิดว่าคิดมไม่หลับราบๆใช่ถ้าคิดมามันหลับเลยยิ่งนอนไม่หลับคิดอยู่นั่นแหละคิดคิดล้แล้วมันก็จะสมองไปเรื่อยมันจะเป็นมันจะอะไนแต่ว่าเช้าก็ถึงได้ทําได้ทุกอย่างมันจะตึงไปเรื่อยๆตอนที่อยู่ที่วัดนะคะแต่นี้ไปปฏิบัติเนี่ยก็เดินชมกงทุกวันมันก็เริ่มรู้เองก็เดินไปก็รู้เริ่มเริ่มรู้สึกว่าไม่ไม่เพ่งที่เท้าแล้ว ไห้รู้ว่าเรารูมาดูดูความคิดเห็นความคิดที่มันมาเรื่อยๆแล้วก็พอเหตุความคิดมาก็มาเพ่งที่ไปมาเพ่งที่เท้าความคิดมันก็หายไปก็ปายปายเยอะเผลอเผลอเพ่งมากๆมันหลงไปลักคิดลักคิดว่าจะหลงไปถ้นถ้าเป็นลามันหลงมันจะดินเทีนี้พอเดินไปมากๆ นิสัยที่เคยตัวชอบคุ้มแข่มันก็ขอแบ่งทิ่สองร้อยเจ็สิบเก้าเขเขียวพิศร้อยเก้าล้มันเหมือนว่ามันมีปัญหาหลือพ่อมันมีปัญหามันอยากจะคิดเอาก็แบ่งเลยที่ตรงนี้ถึงนี่ฉันจะเพ่งนบที่ตรงนี้ฉันไม่เพ่งนะฉันป่อยให้เจะคิดไม่ต้องแบ่งนะให้ประสบการณ์มันจะคิดก็ ถ้ามันคิดลงมาไม่ต้องกําหนดให้มันคิดตรงนั้นนะมันรู้ตรงนี้ไม่ต้องนะอาจจะคิดกผลรู้ตรงนี้มันจะมันจะดีต่อเมื่อมันคิดแล้วรู้ทันกัรู้ทันความคิดรู้ทันแล้วพอรู้ทันแล้วมันิงเขาจะคิดต่างก็คิดวรนหยุดก็กลมารู้กําหนดรู้ต่อไปบางทีมันก็ลงไปอยู่รูไปอยู่ก็กลับมนี่มาทําอย่างนี้เท่านั้นเองมันอยากจะคิดมันอยากจะคิดก็ถ้าจะคิดก็คิดเรื่องอะไรคิดได้ แต่ว่าต้งงองต้องยอนเงินสร้าทั้งคิดแต่ไม่ได้นะไปคิดก็ลําดับลํานํำเล็กๆน้อยๆการคิดก่อนแความคิดแตมันจะคิดไรเอาไปมามันก็ไม่มีเรื่องคิดก่อก็อยาตั้งใจคิดจริงๆแต่ตัวคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมันเอาดีแล้วกัน ต, ตั้งใจจริงๆมันไม่ขาดคิดเหมือนเราก็สมัยก่อนเป็นมิปรเสมอ โอ้โหปฏิบัติไปมันในความเิด่ตามพอจับปาะกาจะไม่เขียนเขียนไม่ออกเลยไม่รู้จะเขียนไรแต่ถ้าเปเชื่ออย่างว่อันนี้ก็ไม่เคยมีใครพูดพูดอย่างนี้ก็ไม่เคยมีใครพูดน่าจะเขียนไหมประมาจับปากกาเขียนหน่อยเขียนได้สองคำตัะทีนี้พอพยายาม